หลวงพ่อบัวสิริปุนโนวัดป่าหนองแสงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อบัวเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นองค์หนึ่งมีอายุพรรษาน้อยกว่าหลวงตา สถานที่ของการสนทนาธรรมในครั้งนี้คือบ้านชุมพลในปีนั้นหลวงปู่ขาวอนาลโยได้พักจำพรรษาอยู่บ้านนี้ด้วยการแก้ปัญหาธรรมในครั้งนี้ทำให้หลวงพ่อบัวเขารบนับถือและซึ้งใจในคำแนะนำของหลวงตาเป็นอย่างสูงเหตุที่ท่านทั้งสอง จะได้พบกันนั้นมีเหตุมาจากคราว่าท่านหนึ่งมานิมนต์หลวงตาไปบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงตาท่านถามทันทีว่าไปนิมนต์หลวงพ่อบัวหรือเปล่าละ่ะแกตอบว่านิมนต์ครับกระผมหลวงตาท่านว่า ถ้าหลวงพ่อบัวไปเราจะไปเรายังมีอะไรอไรยิรยิบยิบยิบอยู่กับหลวงพ่อบัวพูดอะไรมันมีอะไรอยู่ข้องๆใจเอานิมนต์ให้ได้นะบอกด้วยว่าเราก็จะไปนะจากนั้นคารวาสคนเดิมนี้ก็ไปนิมนต์หลวงพ่อบัวถึงที่วัดของท่านเหมือนกันหลวงพ่อ ก็ถามเหมือนกันว่าได้นิมนต์อาจารย์มหาหรือเปล่าแกตอบว่าผมนิมนต์ท่านมานี้แล้วท่านก็ถามถึงเหมือนกันว่าหลวงพ่อบัวจะไปหรือเปล่าหลวงพ่อบัวกล่าวขึ้นทันทีว่าโอยถ้าท่านอาจารย์มหาไปเราไปไปไปไป ว่าแล้วท่านเข้าไปหลวงพ่อบัวท่านเป็นคนสั่งจัดกุฏิเองเลยทีเดียวโดยท่านพักอยู่หลังหนึ่งและให้หลวงตาพักอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับรัว้วและอยู่ ใ, นในกล้ใก้กันเพราะสาลาอยู่ลึกๆตรงกลางวัดกุฏิในวัดที่ติดเขตรัว้วก็มีเพียงกุฏิสองหลังนี้เท่านั้น เื่อครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านเสร็จธุระส่วนตัวแล้วหลวงตาจึงเริ่มซักไซ์ไล่เลียงหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องภายในของหลวงพ่อบัวดังนี้หลวงตาเริ่มพูดก่อนว่าผมมามุ่งหลวงพ่อนะนี่ผมไม่ได้มางานใดๆนะ หลวงพ่อบัวตอบว่าผมก็มามุ่งครูจาร์เหมือนกันแล้วหลวงตาว่าเอาเล่าเป็นยังไงเอาเล่ามาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันยาปิดบังเล่ามาโดยลำดับเอาผมจะฟังให้ตลอดวันนี้ผมไม่ได้สนิทใจนักกับหลวงพ่อนะผมพูดตรงๆนะ จากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็เล่ามาโดยลำดับลำดับลำดับจนถึงจุดปัจจุบันพอถึงจุดนี้หลวงตาบอกทันทีว่าเอาเล่าไปสิตอบว่าพอหลวงตาบอกอีกเล่าไปสิตอบว่าหมดเท่านี้หลวงตาเลยถามว่า แล้วความเข้าใจว่ายังไงตอบหมดเท่านี้ท่านถามอีกว่าแล้วความเข้าใจว่ายังไงละ่ะเอาว่าสิเข้าใจว่าสิ้นแล้วท่านถามต่อว่าแล้วเป็นอย่างนี้มานานเท่าไรแล้วมาเป็นได้สิบกว่าปีแล้วจากนั้นหลวงตา ท่านก็เริ่มอธิบายในจุดที่ละเอียดให้ฟังเอาที่นี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะเอาเลยต่อจากนั้นให้เลยจับให้ดีนะอธิบายให้ฟังเต็มที่แล้ววันนี้ไม่ต้องไปสวดมนต์ไม่ต้องไปในงานนู้นให้ภาวนาเอาให้มันได้วันนี้รู้วันนี้ละ มันเข้าวงแคบแล้วนี่นาพอพูดกันจบเรียบร้อยแล้วท่านกล่าวต่อว่าไปไปลงไปเริ่มภาวนาตั้งแต่บัดนี้ไปนะทำอย่างนั้นล่ละการอธิบายกันในคราวนั้นใช้เวลานานพอสมควร เมื่อจบการอธิบายจากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็กลับกุฏิไปภาวนาส่วนหลวงตาไปสวดมนต์ที่ศาลาเมื่อถึงตอนเช้าขณะที่หลวงตากำลังนั่งภาวนาอยู่ยังไม่ทันออกจากที่ภาวนาเลยก็มีเสียงกุบกับกุบกับดังขึ้นในเวลาใกล้สว่างของวันใหม่ หลวงตาถามขึ้นทันทีว่าใครนี่ตอบผมครับถามหลวงพ่อบัวเหรอตอบใช่ครับหลวงตาบอกเออขึ้นมาขึ้นมาจากนั้นหลวงพ่อบัวท่านก็เล่าถึงการภาวนาในคืนนั้นให้ฟังว่าจับอุบายท่านอาจารย์เข้าปุ๊บเลย เพราะแต่ก่อนมันไม่รู้เนี่ยได้จะเฝ้ากันอยู่นั้นเสียแสดงว่าสำเร็จเสร็จสิ้นก็อยู่นั้นเสียพอมาถึงที่นั่นแล้วก็เอาอุบายท่านอาจารย์เข้าใส่ปุ๊บปุ๊บโหม่ไม่นานเลยปรากฏเหมือนกับคานกุฏิขาดยุบลงทันทีเหมือนกับว่าก้นกระแทกดินแต่ไม่เก็บเหมือนกับคานกุฏิขาดลง ตูมลงพื้นเลยทีเดียวเลยแต่จิตมันก็ไม่กังวลนะเพราะมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนี่ในขณะนั้นพอพลึบลงไปนั่นทีเดียวเท่านั้นนิ่งพอมันหายจากขณะนั้นแล้วจิตก็รู้ตัวออกมาข้างนอกมาก็มารู้ว่าอืม ว่าขานกุฏิถ้าขาดแล้วมันก็ลงกันทั้งพื้นนี้ลงไปถึงดินนั่นทำไมมันถึงดีๆอยู่นี่มันก็รู้กันทันทีนะว่าโหนี่มันขาดอวิชาขาดโอ้โหเวลานั้นมันมันพูดไม่ถูกเลยพอขณะนั้นทำงานกันไปเสร็จสิ้นไปแล้ว ทีนี้มันเหมือนกับว่าเป็นคนละโลกเลยเชียวผมเลยไม่นอนทั้งคืนเมื่อคืนนี้หลวงพ่อบัวกล่าวกับหลวงตาอย่างซาบซึ้งจับจิตจับใจว่าผมกราบท่านอาจารย์ทั้งคืนเลยมันไม่ทราบเป็นยังไงมันกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบท่านอาจารย์ตลอดคืนเลย ผมไม่นอนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะโอ้มันอะไรเหมือนกับถ้าพูดภาษาพระพุทธเจ้าว่าสเสวยวิมุติสุขมันอะไรพูดไม่ถูกอัศจรรย์ครูบาอาจารย์พระธรรมเห็นคุณของท่านอาจารย์งุยเห็นจริงๆเด่นจริงๆถ้าไม่ใช่ท่านเราจมไปแล้วไม่ไปถึงไหนแล้ว เดชะจริงๆกราบกราบอยู่อย่างนั้นตอนหลังหลวงตาท่านเคยปรารกถึงเรื่องนี้ว่านับแต่นั้นมาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับหลวงพ่อบัววัดหนองแสงกันอีกเลยจนกระทั่ง หลวงพ่อบัวท่านมรณภผพาไปท่านเคยบอกเหตุผลเหมือนกันว่าถึงจุดนี้แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์อีกแล้วเพราะมันพออยู่ในตัวแล้วหมดปัญหาแล้วไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาพูดอีกแล้ว